ตั้งใจกำหนดคิดให้ดีเราปฏิบัติภาวนาต้องอาศัยสติเรื่องของสำคัญและลึกถึงยิตอยุเอ่เสมอเสมอกำหนดไว้ที่จิต ทันเห็นจิตข้างตนแล้วทั้งหมดจิตตั้งตนไรจริงใจรู้เรื่องในการเทศน์ห้ฟังจิตเท่านั้นแ่ะที่เราจะต้องรักษานอกจากจิตแล้วไม่มีอะไ ร, รแลว้ววาญญาณทั้งหมดทุกทิ้นส่วนของน่่งกายอันนี้มีจิตจะไม่เป็นใหญ่ จิต น, นพ่พาวิ่งพาวอดพาท่องเที่ยวไปมาพาให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ก็เพราะจิตนั่นแหละถ้าเรารักษาสารวงจิตเห็นว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนรวมไหวแค่แต่หยุดเสียนั้นก็ได้ความสุกตท่นั้นเองที่เราไม่รู้จากเรื่องของจิต เราไม่มีสติรักษามันยังสงสายหาเรื่องทุกข์ต่างๆจนกระทั่งมันทุกข์เรายังคอยรู้เรื่องมันทุขเรายังคอยรู้เรื่องของจิตในเวลาที่มันสงสยยัยนะไม่รู้เรื่องของมันเลยเรียกว่าจิตเันเดียวเท่านั้นที่จะต้องรักษาการภาวน้าทั้งหมด พอมารวมที่จิตนี้แห่งเดียวรักษาเดียวเท่านั้นนะให้รักษาจริงๆเลยจังในเวลานี้เราจะนั่งสมาธิเวลานี้จะฟังเทศเวลานี้จะเราเราจะต้องรวมจิตให้อยู่ในขอบข่ายของสติสติเป็นคนคุม เมื่ออยู่ในขอบข่ายของสติแล้วทั้งหมดเรื่องกันสติคือผู้ระลึกถึงจิตอยู่เสมอเสมอนั่นเรียกว่าสติความระลึกได้คือผู้คิดผู้ึกผู้ทรงใจอาการมันเป็นอย่างนั้นแลจิตอาการมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าสติ แต่แท้ที่จริงก็อันเดียวกันนะั่นแหละถ้าไม่มีจิตมันก็ไม่มีสติถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีจิ ต, จ ต, จตแต่มันเป็นอาการคนละอย่างกันหน้าที่คนละอันกันสติมันกับขี่เรียงจิตมันกับรูปออด ควบคุมรักษ า, าตลอดเวลารูปที่รูปอ่อนที่มันชุบฉดเรียงต้องระวังอย่างเข้มแข็งถ้งาในงั้นก็จะหยุดพัดโทรไปตกไปถูกของแข็งหรือไปตกนาทีรูมทําไมเจ็บได้ ถึงยังไงยังไงก็ต้องรักษาตีตัวเยอนะขนาดนี้ที่เลี้ยงต้องรักษาอยู่ตลอดเวลากลัวที่จะพนน้นอันตรายได้มันใช้เวลานานหน่อยอเราเลี้ยงเด็กเก็ตั้งหลายปีกลัวจะเติบโตขึ้นมาด้ถึงเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องรามัระวัด อื่นเช่นมันซุกซนไปเลวิ่งเล่นอะไรต่างต้งตองสามารถระวังแต่ไม่จังเจมันกิดมังเป็นเด็กอยู่ระวังตลอดถึงมันใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ต้องระวังอยูต่ตลอดเวลาเมื่อทำช่วผู้ผิดสติเน้นใช้ตลอดเวลา ใช้ตั้งแต่เด็กคุณกระทั่งเติรโตใช้ตั้งแต่สติผู้คิดที่แรกกว่านะผู้คิดผู้นึกที่แรกกว่านะตลอดทั้งมันสงสัยและรับกับถุกเรื่องทุกอย่างสติต่างๆต่างรักษาอยู่ตลอดเว ล, ลาส่วนเด็กนี่ยก็ เ, เป็นตนเป็นตัว นอนนี้เป็นของมีตัวมันของยากหน่อยแต่เมื่อเราคุมดูแ ล, ลจิตกลายเป็นของมีตัวรักวัดเห็นชัดเลยจิตอยู่หรือจิตไม่อยู่จิตวิ่งว่นเที่ยวไปในที่ต่างๆเห็นอยู่ชัดเลยทีเดียวเป็นตัวตนแท้ที่เดียบ ท่นเรารักษาจิตได้แล้วควบคุมจิตได้แล้วสตีตัว น, นั้นตั้งมั่นแล้วมันจะรวมเข้ามาเป็นใจคือตบตรงกลางๆนั่นะม่มีรัฐานที่เรากลางตรงไหนก็อั้นนั้นเป็นใจตรงนั้นนะอยู่นอกอยู่ในไม่ใช่อยู่ข้างล่างข้างบน ใจจะเป็นกลางอยู่ตรงไหนก็นับนนะับตัวใจตรงนั้นฮัตสตินี่แหละควบคุมจิตให้เขาถึงกลางอยู่เสมอตรงกลางอยู่เสมอมันค่อยมีพลังสามารถที่จะคิดค้นในสิ่งต่างๆสามารถที่จะงับดับทุกสิ่งหนึ่งทมันเดือดร้อนละสายทิ้งได้ ยานี่เราไม่เข้าถึงตรงกลางตรงนั้นจริงใครละทุกไม่ได้สิ่งที่ทุกข์ก็เดือร้อนมุ่นวายสิ่งที่เป็นสุขก็เลิกคนร่มหลงไม่เป็นกลางลงไปได้สักทีถ้าหลงถึงตรงกลางแล้วนั้นก็เป็นทุกข์ก็รู้จักทุกข์ ก็ปล่อยวางทุกได้มันสุขสบายทำไมถึงเพลิดเพลินมัวมมามันก็เป็ น, นกลางอยู่นั่นมันไม่สุขไม่เดือร้อนวุ่นวายมันเป็นทุกข์สติตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งสติควบคุมจิตเมื่อควบคุมแล้วได้แล้วมันเข้าเป็นใจ เ้าเป็นใจตัวเดียวกรนีตัวใจนเป็นของสำคัญที่สุดจิตมันออกไปจากใจทางนี้ใจมันต้องมีมจิตจิตในใจอนันใจในจิตอนั้นต์ น, อ น, น, นะนอยู่แต่จิตก็หมายความทั้งอันเดียวก็นนะั่นแะแต่ว่าทําไม ท่านจึงเรียกว่าใจทำไมจึงเรียกว่าจิตอธิบายฟังว่าใจคือตรงกลางไม่มีสงสยัยไม่มีคิดเป็นหาบาปผู้สนไม่คิดถึงบุญถึีถ่ยงอะไรทั้งหมดจิตที่ใจที่ตรงกลางนั่นะนะ่ะไม่มีอะไรหรอ ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็ไม่เกิดปัญญาตรงนั้นเอาไว้ก่อนให้มันอยูยตรงกลางนั้นก่อนเกิดมาเกิดกับเชื่อปัญญาที่จะถึงตรงกลางในมันใช้ปัญญาไม่แค่น้อยคิดค้นแต่งต่างทุกอย่างทุกเรื่องคิดค้นเอาพอแรงแล้วนะ ตัวปัญญารานั้นใช่มามาก ม, มาแล้วคราวนี้เมื่อใช้มหมดทางแล้วมันมีที่ปแล้วมันยังเข้าเป็นกลางตรงกลางนะันแต่คนเข้าใจว่าเข้าใจหาว่าไม่มีปัญญาแท้จริงปัญญาใช่ว่ามาก ม, มาแค่เข้าถึงตรงกลางแลนก็เฉยอยู่ เราอยากจะรู้จั ก, กว่าตรงกลางคืออะไรฮัดอย่างนี้ก็ได้ทดสอบทดลองดูกลั้นลมห้ใจสักพักหนึ่งไม่มีอะไรหรอกมีเฉอๆรู้เฉยๆไม่คิดแม้แต่รู้สึกว่าไม่คิดแมนแ้่ มันไม่ส่งไปส่งสายไปมาลางไม่คิดเ็งเป็นปาปเป็นรุ่นอะไรหมดาผู้รู้ซึกันเนะื้รู้สึกว่าเฉยๆนนะ่ะเนตัวนั่นอนะ่ะตัวกลางตัวใจแต่มันได้ชั่วขณะเดียวในเมื่อเรากลั้นลมหายใจพอจับตัวมันได้นะตัวใจก็ตรงนี้ อันนี้มันออกไปถ้ามันทรงสายเป็นจิตคิดเนี่ยเราต้องตีควบคุมดูแลรักษาต้องชำระทราบสารสิ่งที่เป็นบากละู้สนปล่อยวางลงไปสิ่งที่เป็นบุญเวรผู้สลอันนั้นก็ทิ้งวางปล่อยวางลงไปไม่เอาบุญก็ไม่เอาบาก็ไม่เอา มันถึงเข้าถึงกลางใดเอาบุญก็ไม่เข้าถึงกลางเอาบาปก็ไม่เข้าถึงกลางเมื่อล้ทั้งสองอย่างนะ่ะต้องลงเป็นกลางใดนั่นใช้ปัญญาอวัยมากมายจงกระทั้งมาเป็นใจธรรมดาจิต ใจนี้มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ถ้ามาเป็นใจพักหนึ่งแล้วมันก็อยู่ไม่นานมันก็ออกไปอีกวิ่งว่อนตามเรื่องของมันแต่เราตั้งสติกำนดรู้ใจรู้รู้จิตของมันเรื่องมันวิ่งว่อนไปเรืยประการต่างต่มันชุบมันชนมันวิ่งมันว่อนรู้เรื่องของมัน เขามารู้นะหมายความว่าละทิ้งไม่จริงที่มันดีไม่ดีเมื่อละไปหมดแล้วมันก็กลับมาอีกพวกกลางดีการหัดสมาธิภาวนาถ้าหัดอย่างนี้ได้บ่อยๆหัดอย่างนี้ได้เสมอๆเสมอไม่จะเลยเปื๊เปื๊งหลงไปตามจิต ไม่มีเจตนานีไม่หยุดไม่หย่อนนั้นใช่ไม่ได้พิจรารณาจนหมดเล่อนหมดราวแล้วถ้ามันถูกมันกลับมาเองหรอมันเป็นใจเองหอถ้ามันถูกถ้าไม่ถูกก็เลยเติบเปิดไปยังโต๊ะฐานถึงอย่างไรขอให้ทําให้ เข่าถึงใจอยู่เสมอเสมอความสงบความที่เข่าถึงใจที่เป็นหนึ่งนะเป็นการดีมากถึงไม่ได้ปัญญาก็เอาเถอเอาเพียงแค่นี้ก็เอาสปก่อนเถอะเอาบนที่ความสงบสให้มั่นคงถ่าวรแล้วมันจะเกิดมันท่านเกิดเองแบบอย่ากลัวเลยเกลัวว่าจิต มันจะไม่คิดเม่เล็กมาปรุง ม, ม่แต่งมันคิดไม่เน็กไม่ปรุงมาแต่งก็รู้เท่ารู้เรื่องมันอยู่ท่ามันเข้าถึงใจแล้วมีการภาวนาต้องหัดอย่างนี้เราหัดพิจารณานาป่าสติวัดีฮหัดเมร น, นาสติวอดีพุทโธวันทีอะไรต่างๆหมด ก็เพื่ออันเดียวนี่แหละเพื่อให้เข้าถึงใจเพื่อให้คุมสติได้เข้าถึงใจนี่ถ้าหารว่าคุมใจไม่ได้จึงคุมใจไม่อยู่อะไรก็เอาเถิดไม่เป็นผลประโยชน์อะไรเลยตัวเราทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรมีจิตอันเดียวเรื่องของสําคัญอยู่ในตัวของเราคนมากมาย มดทั้งโลกนี่จิตแต่ดเดียวแคนคนน่ะจิตคนละดว่าะดวงกันน่ยมันวุ่นวา ย, ยั้่ท่านค้นแต่ละคนละคนรักษาจิตของเราได้แล้วมันจะวุ่นอะไรมันก็สงบหมดเท่นั้นสิต่างคนต่างรักษาใจของตนต่างคนต่างมีทติีรักษาใจตอนนั้นก็เป็นพอกันแล้ว มันวนเพราะเหตุที่ไม่รู้ใจตัวตนเลยรักษาใจตัวตนไม่ได้เลยมีโรคหโท่สันสราพาัดหลังหุ่นวิวร้ายเกิดจากใจนี้ทั้งนั้นแล้วใจมันได้ไรแล้วโลคมันได้ไรไปใส่ใจโลคมันไปกองที่ใจมันได้ไรแล้ว โทโทสะมันไปไว้ที่ไหนล่ะไปไว้ที่ใจมีไหมล่ะโมหะพุ่มหลงมันไปไว้ที่ใจมีไหมใจไม่เห็นมียุ่งไมีฉางใส่ใจไม่เห็นมีตรงมีตัวมันได้อะไรมีแต่เต่ามีแต่กล่อว่าไม่มีอะไรเลย อันพูดที่ว่าได้เนี่ยนะพูดที่ว่าดีเนี่ยมันดีตรงไหนล่ะอันได้มาว่าดีล่ะโลกโอ้โทษสันได้มาได้ว่าดีล่ะโกรธโลกของคนนั้นคนนี้เห็นว่าตนวิเศษวิสัยนู้นตนดีมันดีอะไรวิเศษเลยมีแต่ของเดือดร้นวุ่นวอย่ยากว่าเราได้ของเขามาไงเราโลกเราได้ของเขาอยากได้ของเขา ได้มาอะไรเราได้ ม, มีอะไรเ่ะในที่นั้นได้มาอยู่มากินได้มาบริโภคแขกตอยใช้อะไรแต่กับตัวนี้เระใช้มันใหญ่มันโตมันอ้วนมันผีเึ้นไว้รลระตัวนี้นก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ได้แก่เท่าสมรสทุกโมททุกวันไม่เห็นมี อย่างว่าโทษสามาหน้าทิฏฐิเกิดขึ้นมาที่ตนถือตัวนือเราถือเขาไม่ยอมมาหน้าที่มาไม่ยอมกระด้างถือตัวนะมันได้อะไรไม่เห็นมีอะไรตัวเนี่ยมันผอมขึ้นเมันโตขึ้นไหมตัวเนี่ยมันดีวิเศษรูเก่ามันเป็น คนสดคนสวยคือโงเก่าหรือว่าเป็นอะไรไม่เห็นมีสดสวยแต่นี่แค่หน้าบึ้งหน้าเดียวไม่ได้เป็นหน้ายักษนาแมนนอยู่ดีๆจะไม่ดีหรือหรือโมหะความรุ่มหลงแค่เช่นเดียวกันโมหนะนั่นคือว่ามันจะเกิดความโลภความหลงตั้งโมหะแต่ก่อน มีโมหยก็เกิด โ, โรคโกรธลงขึ้นมาพระเยซรห์เห็นอย่างนี้เัยมันหมดเรื่องเลยจะไปเกิดโมหะโทษสัมานาที่เขียงไม่มีเลยเป็นของว่างกล่าวมดทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่เฉยๆจะไม่ดีกว่าหรือท้าให้เข้าถึงใจตัวนั้นใจตัวกลางตัวนั้น เบิกบานสุขภาพดีแล้วท็ไมมีเวรมีภัยไปไหนต้องมารับแคบไม่ลบโลกของเขาคนโตสาาธิตีไปไหนมันลบหมดไม่ยอมตนไม่ยอมตัวไปอยู่ที่ไหนมันคับบ้านเข้าเมืองหมด ในพิจนรณาอย่างนี้แหละทาพิจาณาอย่างนี้ถูกทางแล้วมันก็รวมก็เป็นใจเอาละพิจารณ า, าเสร็จฟังอุบายแล้วต้องนั่งสมาธิ่าอนามันยังจะเห็นผลฟังเทศทเฉยไม่ได้ทำ ไม่ไดเป็นเบตานั่นมันก็ไม่เห็นผลประโยชน์ศา ส, สนาสอนให้ทำไม่ใช่สอนให้ฟังตั้งใจทำทำเล็กทำน้อยก็เลยเืียว่าเป็นประโยชน์ใน้รื่อถึงปรัาศาสนาการฟังเทศหรือปมะเด้ฟังก็ตามคือ เห็นคนอื่นทําอยากจะทําตามนั้นก็เป็นผลประโยชน์อย่างครั้งพุทธการแม่บ้านคนหนึ่งก็นพ่าเดินมาถามพาท่ันบอกว่าผู้เปนเจ้าจะไปไหนกันโอ้ก็จะมามาหาที่สอนศึกษาล้วทางนั้นก็เอามิสันจะ สร like right., you know, ้างกตีถ่ายแต่ก็เลยสร้างกตีให้ตั้งศาลผิดตู้กำเนาผุดอยู่หลังหลังฟาดเดี่ยว่าอยู่ตามศาลแล้วก็หายเงียบไปเลยไหมไปปฏิบัติมันดึกไปก็มันฟ้าอยู่นะอยู่ตั้งศา เราไม่ได ok ok ้ไปเยี่ยมไปเยี่นถ้าเนไงกันตกทุกง่ายก็ไม่ถามไปเยี่ยมหรือป่นอ่ะมันได้เห็นท่านไปเยี่ยมท่านขวัญไม่เห็นท่าอยู่สลาสักองเดียวจึงถามมุรุษคนหนึ่งที่เอาสลาอยู่ท่านไปไหนเอ่ยท่าอยากจะเห็นท่านท่านอยาก ตีละครั้ทงท่ากนกับหมาตีาาละครั้งวัท่ทานกัมารวมกันตีละครั้งเง่งางนเลยมารวมกันมาจากที่ต่างๆแปลกใจเอ้ยควรจะมาอยู่ด้วยกันทะเลาะกันเลยามาพูนที่ตั้งฐานวัหน้ายัางบอกว่าไม่ใช่ทะเลาะกันหรอกก็จะมา ไปทํำคนเพียรอยู่คนที่แต่ทางคนทีแห่งกันจะเห็นมอนในแปลกให่การที่ว่าทําภาวนากรรมฐานอย่างตัวฉันทาได้ไหมได้กังนได้พิจารณาความชินความเสื่อมของสังขารล่างกาย ตอนนี้อะเรียกว่าภาวนาครรมานถ้าไม่ในคำบริกรรมให้พิจารณาสมถีนงจิตเท่านั้นแหละรตั้งใจทำนห้ทำจะอยู่บ้านอยู่ช่องจะจะทำตั้งใจทำาิจริงไอ้จังเลยเป็นไปเกอดความรู้่วนเข้าใจรู้เรื่องของพระทั้งหมดทั้งสาวกอง ท่านะสงอะไรท่านต้องการอะไรท่านไม่คิดอย่างไรแกไปตามรู้หมดเจดจาอาหารจัดยาให้ตอนเย็นก็นจัดยาให้ตอนเช้าก็จะนัหาไม่ถูกต้องตามคนต้องการกันลดสงถ้าแปลกใจที่ยายคนนี้ทำยังไงกัน ก็เลยคิดกลัวแกบางทีเราคิดไม่ดีไม่ได้อะไรต่างๆจพจะไปรู้เรื่องกลัวของอสาระหนีมั้จะหาตัวเดียวกลาบทุ่นโง่ลงบอกามาทำไมกันแต่ทำวางเกี้ยนนันแล้วทำไมยังมาโอ้อยู่ไม่ได้เราแล้วอายใหญ่คนนั้น คิดน่นคิดมีอะไรต่างต้องการอะไรแกรู้เรื่องรู้ราวหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลัวหนีไว้เฉยผมว่านั้นนะมันจะได้รู้ดีนะ้วนอนจะพิเศษที่โต้การาไปอีกแล้หยุดเปล่าแล้วไปกลายป็นทาง น, นี้ตั้งสติษาจิตของเราหลังคาเนี่ยจิตแน่วแน่อยู่คงที่ ในคนที่เจอกระเด็นสังเดชมาผลนี้ผ่านมดทั้งสามสิบองถ้าอีกพวกหนึ่งเด้กิ น, นข่าที่ยายคนนั้นจะดีนี่อยูนั้นเจสังเดชมาคนนี้ผ่านนั่งสามสิบองค์แคไปอีกไปกับคิดในใจต่างจะรู้อีกถ้าอาย า, อาย ไปกลับไปอีกนะหาส่งของเราไอีกทีนั้นเนี่ยมันจะดีเนั้นมันจะ ด, จะดีตรงนั้นเนี่ยังสตรักษากิตของเราเรามีความละอายนั่นะมันจะดีกลับไปอีกเลยสงเดชเหมือนกันท่านไม่ได้ปริกรรมอะไรครับสอนใหนันดสเส่อม ความสิ้นของสังขารร่างกายเกิดตคว่าเสื่อมไปทุกวันทุกวันจนกระทั่งแก่ทั้ ง, งเฒ่าทั้งตายเรียกว่าเส่วมสิ้นไปเส่วมไปสิ้ไปคนเราไม่เจริญที่ว่าจะเลยเดินนั้นเข้าใจผิดของสมมติของคนวม่เจริญแล้วไม่เจริญหรอกมันแก่แล้วหาตายนล้นเนี่ย จะหยุกขันก็แก่ในขันไม่แก่มันก็ไม่กอดกอดตรงนัมันจะแก่กไปทุกวันทุกวันระยะของต้องเป็นหนุม่มได้สาวระยะของคนไม่เ ข, ข้ากอดว่าเมียเป็นอย่างนั้นแ่ะเป็นธรรมดาทันนหมดคนไม่จริงมันแก่มันแก่ประหาสมตายไม่แก่เป็นหนุม่มได้สาวไม่แก่ไม่เจริญเครื่มัน เสื่อมไปทั้งนั้นถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้พิจารณาต้องเสื่อมตลอดเวลามันไม่เปรน ม, มาคองเราจะเรียนเสี่ยนยจะศึกษาเรียนจะทำของเรียนเพราวนาจะทำอาชีพเรียนชีพเองสงหมดเเพียนเด็ดตักแต่ว่าบังลุงร่างกายให้อยู่ไปมือวันเดียว ไม่มีอะไรหรอกหากคนหาได้มากๆก็เหลือไว้ใช้ไปสอยค่ะคนหาได้น้อยก็เขาอยู่ก็กินหมดวันหมดฝันหมดหากินไปวันหนึ่งวันหนึ้งเท่ากันนั่นแหละค้นหาได้มากกินวันเดียวนลยน่ะกินมือ้อกินสองมื้อกว่ามื้อเท่ากัานน่ะในคนที่ตัวไปสอยต้องเก่าเานี่ยก็ยอิ่มแล้วก็ ย, วยุด ไม่ได้ไปไปเลวงไหลายหรอวันนี้พิจารณาคนส่วนแล้วพิจาาคนส่วนองคิดไปของทากายร่างกายท่านได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาเป็นเพราะ น, นิสัยวาสนาของทาน ต, ต่างหากเราได้อยากได้ความรู้อย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ทํามันจะรู้ยังไงอยากรู้อย่างท่าน อยารู้อย่างยหย่ขนานั้นแต่เราไม่ทำทำจะทำไม่ถูกมีแต่ อ, อยากอย่างเดียวทำก็เลย อ, อยากอย่างเดียวของอย่างนั้นปกปิดเงินดห่มอ่อไว้ไม่เห็นของจริง